พวกเราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่เบื้ อ, องบันพระบุรุษหลายชั่วคนมาแล้วจนมาถึงยุคของเราเราก็มีบุญอันหนึ่งพอได้เกิดขึ้นมาในประเทศไทย แล้วก็มาพบพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นที่พึ่งทางใจของคนผู้ประสบความทุกข์ความรน้นผู้ผิดหวังในการงานหรืออะไรต่ออะไรมักจะมีความทุกข์ความโศกมากเมื่อเราได้ ฟังคาสอนพุทเจ้าแล้วน้องเขาไปคิดไปกรองแล้วก็จะมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่กิรังยั่งยืนเมื่อมันไม่กิรังยั่งยืนแล้วจะให้ทำอะไรจะให้ได้สมหวังทุกอย่างไปไม่มีเป็นไปไม่ได้บางอย่างก็สมหวังบางอย่างก็ไม่สมหวังสลับกันไปอย่างนี้นละ <c oughs> จะไปคิดไปอื่นภายนอกอะไรให้มากมายคิดเข้ามาดูร่างกายสังขารนี่ก็ได้ร่างกายสังขารนี่ต้องประครบประง ม, มกันอยู่ทุกวันทุกคืนด้วยปัจจัยสี่คืออาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยหยุกยาแก้โรคภัยต่างๆ เราบำรุงอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี่ร่างกายอันนี้มันก็ยังชิงจะไม่เที่ยงชิงจะชารุดทรุดโทรมไปตามการเวลาอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นโลกธนิวาตอันนี้เมื่อสรุปลงแล้วนะไม่มีอะไรสมหวังมิแต่ผิดหวังลงสุดท้ายผิดหวังทั้งนั้นเลยที่ว่าเราได้อะไรในโลกเนี้ เอืมได้แต่เวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่เท่านั้นเองพอหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะอืมไม่ได้อะไรซักอย่างเดียววันนี้เมื่อเมื่อหมดลมหายใจเข้าไปเราเราได้อะไรบัด น, นี้อ่าก็ได้บุญกับบาปติดตัวไปนี่แหละผู้มีปัญญา ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าบาปนี่มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำก่อนละเว้นเสียซึ่งบาปนั้นสั่งสมเอาแต่บุญกุศลไว้ในจิตใจของตนให้เต็มความสามารถเช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วเราก็ได้บุญเป็นเพื่อนบุญนำทางไปสู่ความสุขความสบาย อันขึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีแต่อำนวยความสุขความสบายให้ไม่ได้อำนวยความทุกข์เลยไม่เหมือนบาปดังนั้นบาปนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรพยายามละควรกลว ด, ดูกายวาจาใจของตนว่าจนได้สั่งสมบาปอะไรไว้ต้องรู้ด้วยตนเองจะคอยแต่ผู้อื่นทักท้วงไม่ได้หรอกใครๆก็ไม่กล้าทักท้วงใครหรอก ต่างคนต่างพิจารณาให้เห็นโดยตนเองอย่างโทษห้าประการอย่างนี้นะเราเว้นมาแล้วหรื อ, อยังเราตั้งใจเว้นหรื อ, อยังเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากรักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกรรมเว้นจากกล่าวมุสาวาสเว้นจากดื่มสุราเมรัยกันชายยาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดโทษ ต, ต่างๆ เราเว้นหรือยังเราเว้นแล้วหรือยังนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าการรักษาศีนนี่ก็คือรักษาความสัตย์นั่นเองถ้าว่าไม่รักษาความสัตย์แล้วศีนมันก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าบาปมันอำนวยผลใ้เป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเราก็อธิษฐานใจละเว้นต่ตอ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะไปทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็จะไม่เบียดเบียนมันจะให้อภัยต่อมันลี้นยงมากัดก็จะไม่ตกไม่ตีให้อภัยมันไป เพราะสัตว์อันนี้มันมีเลือดเป็นอาหารเหมือนมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เราก็มีเลือดเป็นอาหารเหมือนกันนะมีเลือดมีเนื้อเป็นอาหารบริโภคเนื้อของผู้อื่นรักษาชีวิตของตนไว้นู่นเพราะฉะนั้นสัตว์อื่นมันมาขอแบ่งส่วนด้วยบ้างเราก็ให้มันไปบ้างถ้าเผลอเผลกอะ มันจะดูดเอาเรื่องไรบ้างกะให้มันไปซะแล้วไปอย่าไปโกรธมันอย่าไปตีมันอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีสัตว์เป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลยงจริงเวลาไหนยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีสติธรรมะเสญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาอยู่เสมอ ไม่เผลอเลยเล่ไม่ล่าเลยต่อข้อสินที่ได้สมทานแล้วละระลึกอยู่เสมอการทำอะไรพูดอะไรเรามไม่ผิดสินหรือไม่ผิดหรือไม่ผิดเราต้องนึกเราต้องวิจานอยู่เสมอเลยไม่เช่นนั้นเดียวก็เผลอไปล่วงสินเข้าโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้น แอ่ศีล น, นี่นะว่าสำคัญมากเพราะเป็นคุณธรรมสำหรับป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกายวาจาใจคนเราเมื่อไม่มีบาปครอบงำย่ำยีแล้วก็มีความสุขอยู่บ้างถึงแม้เกิดมาในโลกนี้ก็ดีหรือวันละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็สบายเมื่อไม่มีบาปติดตามไปสนอง ก็คอยพากันพิจรารณาเห็นอย่างนี้เมื่อเราเบื่อต่อความทุกข์อย่างว่านี้แล้วก็ต้องละเหตุแห่งทุกข์เหตุทางทุกข์ชั้นย่ำยากก็คือบาปกรรมความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นเหตุแห่งทุกข์ละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ได้แก่ตัญหาความทะเยอทยานอยาก มีลาบมียศมีสรเสริญมีความสุขมีอายุยืนยาวนานความอยากเหล่านี้ท่วมท้นอยู่ในจิตใจแล้วก็เป็นเหตุให้สเสวงหาสมบัติพัฒสถานต่างๆเกินขอบเขตหมายความว่าสเสวงหาไปในทางทุจริตถ้ามันเกินขอบเขตแห่งศีลทาไปแล้ว มันเป็นต้นว่าช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาไปเที่ยวหลอกลวงคนที่มีปัญญาน้อยกลัวตัวอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าความอยากเหล่านี้มันมีมากมันท่วมท้นจิตใจจนไม่สามารถที่จะแสวงหาสมบัติอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมได้มันก็ทำให้บาปกรมทั้งหลายฟังเกิดขึ้นในจิตใจ ไว้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีคุณธรรมประกอบด้วยศีลคือมีสันตุถีคือยินดีตามีทำได้คำว่ายินดีตามีทมได้หมายความว่าเล่าสเสวงหาเงินทองเข้าของโดยทางสุจริต ได้มามากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เพียงเท่านั้นเพียงเท่าที่หามาได้โดยทางชอบทางทุจริตแล้วเป็นอันไม่แสวงหาอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ถือสันโดดยินดีตามมีตามได้ไม่ได้หมายความว่า ให้นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆนอนงอมืองอเท้ามีอะไรก็บริโภคใช้สอยไปไม่ต้องแสวงหามันมาอีกไม่ได้หมายอย่างนั้นคำว่าสันดุถีนะหมายเอาว่าเราแสวงหาโดยทางที่ชอบเต็มที่แล้วได้มามากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น อ, อย่างนี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้สมาหาเรื่องคิดอยู่ในกรอบแห่งศีลกรอบแ่งธรร ม, มทีนี้เมื่อเมื่อส ก, กัดกั้นบาปอากุศลต่างๆไว้แล้วชีวิตนี้ก็ย่อมราบรื่นทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปทางนั้นเพราะเราทำอยู่ในกรอบแห่งศีลเราไม่ ทำอยู่นอกศีลออกไปเมื่อทำอยู่ในกรอบแห่งศีลแล้วมันก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลเลยเช่นอย่างว่าหาเงินหาทองมาอย่างนี้นะเราตั้งเจตนาลงว่าหาเงินหาทองได้มาแล้วเอามาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเลี้ยงเพื่อนผงให้เป็นสุขเก็บฝากธนาคารไว้สาหรับ ใช้ใจ่ายในเวลาสุขเชิญเป็นทุนค่าต่อไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านผู้ว้ชนไปสู่โรคเปื้องหน้าอย่างนี้แหละแล้วก็เสียภาษีอากรให้แก่หลวงเราไม่ได้ใช้ใจ่ายเงินไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษเลย แล้วข้อสุดท้ายก บ, บริจากทานในนักปวดผู้ประพฤตชอบด้วยธรรมด้วยวินัยตั้งอยู่ในความสงบระงับมักน้อยสันโดษชอบสั ง, งัดปราลบความเพียรเพื่อละอาศวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปจนกลัวมันจะหมดสิน้นไอ้พระสงฆ์สาวกของพระเจ้าดัง กล่าวมานี่แหละจึงจะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยในบทพระสังฆคุณนะนะพระสงฆ์สาวก ข, ของพระมิภากเก้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติชอบยิ่งได้แก่พระอระหันต์อย่างนี้ท่านทั้งสี่จำพวกนี่ ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนควรถวายปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นแล้วท่านทั้งสี่จะพวกนี้เป็นเนื้อนาบุญอันโลกอ่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐ ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ไว้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าพระสงค์ที่ท่านปฏิบัติดีละธรรมกิเลส ช, ชั่วช้าลามมกต่างๆให้น้อยเบาบางไปท่านกระทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งนี่นะเหมือนอย่างที่ บุคคลผู้ปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลดกลงในดินแล้วก็รักษาปฏิบัติอย่าให้ศัตรูพืชเข้าไปเบียดเบียนมันได้ญาตาใส่ปุ๋ยรดน้ำบำรุงมันให้ดีแล้วมันก็เจริญงอกงามขึ้นถึงฤดูการที่มันผลิดอกออกผลมันก็ผลิดอกออกผล ใ, ให้แกเจ้าของมากมาย เช่นขนมะม่วงผลลำไยผลงะกลมังคุดหรืออะไรต่งตางๆพวกนี้เจ้าของก็ได้บริโภคได้จำหน่ายได้ขายไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอนุญาตโยมพุทธบริษัทเป็นอักษาสนุปธรรมเรียกว่าอุปธรรมบำลุง พระภิกษุสามเณรแทนองค์พระพุทธเจ้าพระภิกษุสามเณรจำพวกที่ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบนั่นเราคิดเห็นว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงบรรเทาเสียด้ซึ่งราคะโทสะโมหะเมื่อได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส ในท่านผู้ว่าพฤติปฏิบัติดีเช่นนั้นเมื่อความร่วมใสมีแล้วอนการบริจาคทานก็ไม่ท้องลำบากยากเย็นอะไรอะ่ะมันก็เต็มใจบริจาคเพราะการรำมุนได้ทานไม่มีใครบังคับกันไม่มีการบังคับบับญชากันเลยมันเกิดจากความพอใจเกิดจากความสมัครใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะพึ่งได้จากการทาบุญให้ท่านด้วยปัญญายิ่งของตนแล้วจึงได้เต็มใจบริจาคทานนี่เป็นเช่นนี้แหละจึงว่าพระสงฆ์สาวกของพระวิภาคแก้าติทรมติบัตตีแล้วจึงชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเพราะว่าชาวโลกรู้แล้วพระสงฆ์ ที่เป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้านั้นนะท่านปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาด้วยความไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนทำอาชวกิเลสให้น้อยไปเบาบางไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสา ม, มัญซึ่งไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนเลย ไม่ได้ลากกิเลสตัณหาอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่มีคุณนธรรมอันสูงส่งอะไรอยู่ในใจดังนั้นใครก็ย่อมไม่ยินดีให้ทานแกบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหานี่ยไม่พิจารณาดูให้ดีเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่ นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงปรากฏว่าท่านได้สละบ้านเรือนออกกดกันเป็นพระภิกษุสามนเณรเป็นชีเป็นขาวกันก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากันกับพวกที่อยู่กับบ้านกับช่องหละพวกที่ออกวดก็ดี พวกออกบวชนี้ล้วนแต่ผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเห็นโทษของกิเลสตัณหาว่ามันพาให้เกิดแก่จิตตายเป็นทุกข์อยู่ในสงสารนี่ไม่รู้จกกักจบจากทิน้นถ้าอยู่ครองเรือนไม่มีโอกาสจะได้ทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางไปจา ก, กจิตใจได้เพราะกังวลอยู่กับกิจการงานการค้าการ ข, า, า, รขายการทามาหาเลี้ยง ชีพต่างๆหาโอกาสหาเวลาที่จะมาฝึกขนจิตใจให้เข้าถึงความสงบระงับเช่นนี้นะหาได้ยากเลยปพะเดียวดังนั้นผู้มีศรัทธาปัญญาแรงกล้าจึงได้สละบ้านเรือนออกบวชเสียเมื่อบวชมาแล้วถ้าหากว่ามัวมอพประมาทเก้าอีกหละ ก่เลสมันกระลกควรจิตใจให้ฟุ้งซ่านลำคาญเรือดร้อนเหมือนกับอยู่บ้านอยู่เรือนนั่นเองไม่แปลกอะไรถ้าประมาทแล้วถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วก็มีโอกาสเต็มที่เลยเพราะว่าไม่ได้ทำไร่ไทยนาไม่ได้ทำการค้าขายอะไรก็มีแต่ตั้งหน้าทำความเพีย การงานที่มีอยู่ก็ไม่หนักไม่หนาอะไรเท่าไหรนะอย่างนี้มันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นต่อจากนั้นก็ว่างเมื่อว่างการว่างงานแล้วก็ตั้งนาภาวนานั่นเองตั้งใจภาวนาสำรวมจิตของตนให้เข้าถึงความสงบระงับ ไม่ปล่อยจิตให้คิดสร้างไปในโลกสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงสำรวมจิตนี่แหละสำคัญมากการสำรวมจิตนี่ไม่ว่าเครือหันไม่ว่านักบวชก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำทุกคนหละเพราะว่าจิตนี่ถ้าเราไม่สำรวมไม่คมไม่อันนั้นด้วยบ้างเลยอย่างนี้ มันจะถูกกิเลสผักดันให้คิดพุ่งสร้างไปทั่วเรื่องไม่เป็นสารประโยชน์ก็คิดไปหามันอย่างนี้จิตที่ไม่ไม่มีสติกระครบประคองอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเรือที่ไหลไปตามกระแสน้ำไม่มีนายท้ายคอยบังคับเรือให้เล่นลงไปตามจุดหมาย เรือไม่มีนายท้ายกระแสน้ําพัดไปทางไหนมันก็หมุนไปทางนั้นกระแสน้ําพัดพาไปค้างกาะแกงที่ไหนกลางน้ำมันก็ไปค้างอยู่นั่นนะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยอือไอ้ชีวิตของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นเลยถ้าใครไม่ฝึกตนแล้วไม่สํารวมจิตของตนด้วยสติสัมปชัญญะ อยู่เสมอแล้วมันย่อมหลงย่อมเมาจนทำชั่วผู้ชั่วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆหลงเมาเต็มที่แล้วนะแต่อย่างนั้นผู้ที่ไม่สำรวมจิต ấy. ปล่อยให้ความโลภโกรธหลงมันครอบงมจิตใจไว้อย่างนี้พอมีคนพูดไม่หวังดีต่อ เขาแสดงกิริยาอาการกระทบกระทั่งเข้าไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างคราวนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเวลายังไม่มีใครกระทบกระทั่งนั้นก็รู้สึกว่าดีละมุนละไมาด่ดีพอมีเรื่องมากระทบกระทั่งกข้าไล้ทนไม่ไหวแสดงอาการโหดร้ายทารุณออกมา อันนี้แหละลิตเดชของกิเลสลิตเดชของกิเลส ท, ที่บุคคลไม่ได้เพียรละมันเลยปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจใจตกเป็นท่าของกิเลสของความโลภโกรธหลงแล้วเท่านี้ย่อมเป็นคนใจดํำอมิหิตขาดเมตตากรุณาใครมากระทบกระทั่งนิดหน่อยกระทนไม่ไหวต้องแสดงความดุร้ายออกมาทันที อันนี้อย่าไปเข้าใจเอาไปเรื่องธรรมดานะเป็นบาปทังนั้นเลอการแสดงความโหดร้ายออกมาทางกายวาจาเราต้องรู้ตัวเสมอต้องเตือนตอนนะเมื่อได้รับความกระทบกระทท่งจากภายนอกอย่างนี้เราก็รู้ตัวห้ามจิตอดกัน้นไม่วันไว้ไปตามใครจะแสดงบทความชั่วอะไรออกมาเมื่อเราไม่รับเอาความชั่วของเขาแล้ว ความชั่วนั้นมันก็กลับไปเป็นสมบัติของเขาตามเดิมนี่เหมือนอย่างว่าเขาเอางูพิษมาให้เราที้เราเห็นเขาแล้วนี่เป็นงูพิษอย่างนี้เราไม่จับแล้วเราไม่เอาเลยอย่างนั้นแหละอันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นเมื่อเห็นบุคคลใดแสดงกิริยาหยาบคายทางกายมาก็ดีพูดวาจาหยาบโลนต่าง ๆ, ๆนานาก็ดี แล้วก็พี่นาเห็นเลยว่า อ, อันนี้เป็นของเป็นเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องดีของมีพิษเหมือนงูนั่นแหละเมื่อเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็อดกัน้นระงับจิตใจให้ได้แล้วก็ไม่ยึดถือเอาอารมณ์เราเรื่องนั้นๆมันก็ดับไปดับไปเท่านั้นเองใครจะด่าอยู่อีนว่าพีแกชั่วโมงมก็ด่าไป เมื่อจิตใจของผู้ถูกด่า น, นั้นไม่ยึดถือเอาแล้วเสียงอันนั้นมันก็ดับไปดับไปเหมือนอย่างเสียงเรือทั่วไปนั่นแหละเสียงเรืทั่วไปก็เกิดแล้วก็ดับไปอยู่นั้นอ่เป็นเช่นนี้นะทำใจได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ตกเป็นทาสของกิเลสังกล่ามาั้นกิเลสตอนนั้นก็ครอบงมจิตใจไม่ได้เลยเพราะว่าตนไม่ส่งเสริมมัน ถึงมันมีอยู่ในจิตใจนีเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันแล้วเราไม่ยึดเอาเรื่องชั่วภายนอกเข้ามาสมทบภายในแล้วกิเลสมันมีอยู่แต่ภายในจิตใจนี่เราป้องกันภายนอกไม่ให้มันเข้ามาแล้วมาเพ่งละอยู่แต่ส่วนภายในนี่อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันอยู่ไม่ได้กิเลสแต่มันก็ค่อยเบาไปเบาไปอันนี้กิเลสมันมีกําลังอ้วนท้วน เมียมน่าในชีวิตจิตใจของเรานั้นเนื่องมาแต่เรายึดเอาอารมณ์ไม่ดีภายนอกนเข้ามาสมทบกับกิเลสภายในเรื่องมันอ่ะกิเลสภายในมันได้รับอาหารหล่อเลี้ยงมาแล้วมันก็อ้วนพีึ้นมีกำลังบังคับกายวาจาใจให้ทำชั่วพูดชั่วไปได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเลยขอให้พากันเข้าใจ ว่าการที่เราได้มานับถือบุรุศาสนาได้ฟังคำสอนพุริเจ้าได้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แล้วเพียรพยายามละมันเป็นวาสนานาบุญอันดีของเราเราจะได้ความทุกข์จะได้เบาบางบบจากจิตใจไปโดยลำดับเพราะเราสำรวมจิตให้ส ง, งบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในเสมอไปอย่างนี้นะ แล้วเหตภายนอกอกมากระทบเราก็มายึดถือเอาเช่นนี้กิเลสที่ภายในมีอยู่เราก็ไม่ส่งเสริมมันมีแต่ละมันไปเรื่อยๆกิเลสนี่มันก็บเบาบางไปเรื่อยๆนะขอให้พากันตั้งใจอย่านิ่งนอนใจกิเลสเป็นศัตรูแห่งชีวิตจิตใจของเรามานมนานนับชาตินับภพบไปท่วนแล้วขอให้นึกอย่างนี้เตือนตอนอย่างนี้ มาชาตินี้เรายังมาเลี้ยงกิเลสไปอยู่ไม่ยอมละมันไม่ทําความเพียรละมันให้บอบางเลยแีลแผลมันยังสั่งสมไปมันหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยเมื่อกิเลสมากไปขึ้นไปเท่าไรความทุกข์มันก็มากไปเท่านั้นเนี่ยเมื่อเราทํากิเลสให้น้อยบอบางลงไปได้เท่าไหร่ความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นดังแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอจบรงเพียงเท่านี้